นวัตส ก, การทุกๆองค์นะครับเจริญพรญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อมาเทศตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานกวันนี้เทศที่นีนไ้ได้เห็นพี่น้องพุทธ บ, บริษัทเชาวลาวยังสนใจ ในธรรมะกันอย่างแข็งแรงเข้มแข็ ง, ขงพวกเรามีบุญนะที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่พระาศาสนายังดำรงอยู่คนอื่นนะ่ะเขาก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันอยากมีความสุขยั่งยืนแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนพวกเราพวกเราได้ฟังธรรมะแล้ว เอาไปปฏิบัติเราจะถอดถอนกิเลสออกจากใจตัวเองได้เมื่อใจเราไม่มีกิเลสใจเราก็จะยิ่งร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จะถึงจุดที่ท่านอาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้นี้เราจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเราพ้นจากทุกสิ้นเชิงได้การพ้นทุกสิ้นเชิง คือการเข้าถึงพระนิพพานสัมผัสพระนิพพานนั้นไม่ใช่จินตนาการนะแต่เป็นความจริงแท้พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราจะถอดถอนใจเราออกจากวัตฏะสงสารนี้ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกุตตะท่านสอนวิธีไ้ให้ลำพังถ้าท่านบอกว่านิพพานเป็นของดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ คำสอยของท่านยังไม่อัศจรรย์เท่าไหร่แต่ความอัศจรรย์อยู่ที่ท่านบอกวิธีให้เราเดินตามได้ถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะพบความจริงอันหนึ่งที่น่ากลัวนะคือจิตเราเนี่ยถูกห่อหุ้มอยู่มีเปลือกหุ้มนะสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ทางอีสานเะนี่ยไปพูดให้ท่านฟังว่าจิตเราอยู่ในแคปซูล ท่านบอกอ๋อจิตอยู่ในหายประแดดนะอันเดียวกันแหละมันมีเปลือกหุ้มนะมันมีอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่เราต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งเนี่ยไอ้เปลือกเนี้ยแตกแตกครั้งที่หนึ่งมันก็กลับเข้ามาปิดตัวเองอย่างรวดเร็วเลยซ่อมตัวเองได้อย่างรวดเร็วครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ยังกลับเข้ามาปิดตัวเองได้อย่างรวดเร็วอีกนะแลก้แตกถึงครั้งที่สี่ รือโสดาปฏิมรักสกิธาคามิมรักอนาคามิมรักถึงขั้นอรหัตตมรักไ อ, อสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเราอยู่นี่จแตกสลายไปสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่นี้ไม่ใช่อะไรที่พิสดารหรอกมันคืออาสวะกิเลสที่เราสะสมมาไว้กลายเป็นเปลือกแข็งๆหล่อเลี้ยงจิตที่เต็มไปด้วยอวิชชาไว้เราจะค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนะ ตอนที่เห็นจิตมันมีเปลือกหุ้มอยู่ครั้งแรกเนี่ยจิตใจสะทกสะทานหวั่นไหวเลยว่าตายแล้วเราเกิดมาเราก็ติดคุกมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่เคยเห็นเราติดคุกตั้งแต่เกิดเลยคือถูกขังอยู่จิตเนี่ยไม่ได้มีอิสรภาพที่แท้จริงมันถูกขังอยู่ในกองกิเลสนี่เองพอเราเห็นความจริงว่าจิตมันถูกขังอยู่เนี่ยมันทนไม่ได้ เรื่องอะไรเราจะต้องติดคุกตลอดไปนับภพบนับชาติไม่ทวนก็ถูกมันขังอยู่อย่างนี้หรือเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเต้องหาทางต่อสู้ตามเส้นทางที่ท่านสอนให้คือศีลสมาธิปัญญานะสะสมเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายปัญญาเนี่ยแก่กล้าจริงๆนะจิตมันทำลายอาสวะกิเลสเพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลาย ถ้ายังยึดรูปธรรมนามธรรมยึดกายยึดใจอยู่เนี่ยอาสวัยกิเลสยังอาศัยอยู่นะเราจะต้องค่อยๆพัฒนาไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเป็นลำดับลาดับไปการเห็นความจริงรีก่ก็เกิดปัญญาปัญญามีสามระดับปัญญาขั้นต้นเนี่ยเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนี่เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบัน ปัญญาขั้นกลางเนี่ยเห็นความจริงว่าร่างกายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขพวกเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะเราก็ยังรักยังห่วงแหนกายนี้อยู่เพราะว่ามันให้ความสุขเราได้ แต่ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนะเฝ้ารู้มีสติรู้อยู่ในกายเนีเราจะเห็นว่ากายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นทุกทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ยังทุกเลยนอนอยู่ก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์พอเราเห็นความจริงนะว่าร่างกายมีแต่ทุกข์แต่ว่าทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนะการดิ้นรนของจิตที่จะให้ร่างกายเป็นสุข การดิ้นรนของจิตที่จะไม่ให้ร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยจะหายไปมันจะหมดสิ้นตรงนี้ไปเลยจิตมันจะหมดความรักใคร่ผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทําไมไม่รักใคร่ผูกพันไม่เกลียดชังด้วยนะไม่รักใคร่ผูกพันและไม่เกลียดชังในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเพราะว่ากระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายที่ใครๆเขารักใคร่หวงแหนเราอย่างเห็นความจริงว่ามันคือตัวทุกข์ เมื่อตาเป็นตัวทุกข์เสร็ ว, วรูปจะมีความหมายอะไรนะเมื่อหูเป็นตัวทุกข์แล้วเสียงจะมีความหมายอะไรเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเป็นตัวทุกข์แล้วกลิ่นะรสสัมผัสทางกายจะมีความหมายอะไรนะมันเหมือนเราเป็นแผลนะตัวเราเป็นแผลอย่างให้เอาของดีของวิเศษนะเอาผ้าที่นุ่มที่สุดนะผ้าอย่างดีมารูปไร้ เราก็ไม่มีความสุขเพราะเราเป็นแผลอยู่นี่ยเราเห็นความจริงแล้วร่างกายนี่เต็มไปด้วยบาดแผลนะเต็มไปด้วยความทุกข์จะประครบประงมยังไงก็ทุกข์ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจิตจะหลุดพ้นจะปล่อยวางกายนะปล่อยวางตาหูจมูกลกิ้นกายก็เลยจะปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าไปด้วยจิตจะหลุดออกจากกามภูมิอย่างที่พวกเราอยู่กันเนี่ยเรียกกามาวาจรภูมิ มซึ่งยังติดใจผูกพันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายนะจินี้จะเข้าสู่ความเป็นพรหมนะอยู่ในรูปประภูมิอรูปประภูมินั้นะเป็นพระนาคาเนี่ยนะก็ต้องขึ้นไปเป็นพรหมไม่อยู่ในโลกมนุษย์อย่างนี้ละโลกมนุษย์นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเต็ไมไปด้วยความทุกข์ จิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นน่ะมันจะไม่เอาโลกอบ น, นี้ละมันไปเอาโลกที่ละเอียดนะไปเอาพลมาโลกแทนนี่พอภาวนาต่อไปอีกนะปัญญาถึงขีดสุดจริงๆมันจะพบความจริงซึ่งน่าตกใจที่สุดเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวจิตผู้รู้ที่เราพัฒนามันขึ้นมาเนี่ยตัวจิตผู้รู้นี่แหละนะคือตัวทุกข์ ตอนที่เราภาวนากระเสือกกระสนดิ้นรนอยู่เนี่ยเรามีจิตผู้รู้เรารู้สึกมีความสุขมากนะเวลาจิตมันหลงจิตมันมีกิเลสอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวจิตมันทุกข์แต่พอมันเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูมันมีความสุขเยอะๆนะแต่พอภาวนาสุดขีดเข้าจริงๆเรนะจะพบว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงอาศัยตัวจิตดวงเดียวนี้นะ เวลาตายไปแล้วจิตดวงเดียวเนี้ยไปสร้างขันห้าสร้างกายสร้างใจใหม่ขึ้นมาได้ตัวจิตผู้รู้เหมือนเมล็ดของต้นไม้นะเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้อย่างต้นมะม่วงต้นมะขามอะไรเงี้ยเมล็ดเม็ดเดียวเนี้ยสามารถเอาไปปลูกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ออกลูกออกหลานได้อีกนะเพราะฉะั้นตัวจิตผู้รู้ดวงเดียวเนี้ยถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้นะมันจะพาเราเวียนใปตายเกิด แต่ว่าภูมิจิตของพระนาัคามก็จะไม่เวียนมาอยู่ในโลกอย่างพวกเราอยู่นี่หรอกมันไม่เวียนอยู่ในพรมโลกนะแต่ว่าสติปัญญาเพาแก่กล้าขึ้นมันเห็นความจริงว่าตัวจิตผู้รู้คือตัวทุกข์นะพวกเราเคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมอยู่ดอนนะอยู่วัดป่าบ้านตาัดเป็นอาจารย์วงหนึ่งของหลวงพอ่ออาจารมหาบัวนะท่านสอนบอกว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวจิตอวิชชา อาวิชาซ่อนอยู่ในตัวจิตผู้รู้นหลวงพ่อเคยภาวนานะมีครั้งหนึ่งสมัยเป็นโยมเลยไปภาวนาอยู่กับหลวงปู่เทศที่หินมะเป้งแล้วกเข้าไปรายงานท่านบอกผมเห็นจิตซึ่งมันเป็นต้นกําเนิดละแตนะ่มันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในทํายังไงจะทําลายเชื้อเกิดที่อยู่ในตัวจิตต้นกําเนิดนี้ได้นะตัวจิตต้นกําเนิดนี้อีกตัวจิตตัวร้ายนี่เองนะที่เราคิดว่าตัวดีตัววิเศษนี่เอง พ่อแม่ครัวอาจารย์ท่านก็บอกร้องภาวนาไปปัญญาแก่กล้าแล้วมันก็ทําลายเองคล้มายๆมะม่วงเนี้ยมันมีต้นเล็กๆอยู่ในเม็ดมันอีกทีหนึ่งใช่ไหมเราต้องขุดคุยลงไปจนทําลายต้นอ่อนของมันที่อยู่ในเมล็ดนะต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดเนี้ยก็คืออวิชชาที่อยู่ในจิตของเรานะเพราะฉนั้นกิเลสเนี่ยหลายชั้นนะมีหลายชั้นหลายเชิงค่อยๆต่อสู้ไป ต้องนก็สู้กับกิเลสหยาบหยาบโลภโกรธหลงที่รุนแรงกิเลส ช, ชั้นหยาบเนี่ยเราสู้ด้วยศีลกําลังของเรายัางไม่พอนะกิเลสจะยุให้เราไปฆ่าคนเราไม่ทํากิเลสจะยุให้เราขโมยเขาเราไม่ทำจนะ ย, ยุให้เราผิดลูกผิดเมียเขาเราไม่ทำจะ ย, ยุให้เราโกหกหลอกลวงเนี่ยเราไม่ทำํำนะเราไม่ทําตามใจกิเลสนะพยายามค่มใจไว้ นะเพราะฉะนศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสอย่างหยาบแล้วกิเลสมันหยาบเพราะพ่อจิตของเราหยาบนะจิตเรายังหยาบอยู่เราไม่สามารถจะเอาชนะกิเลสได้เราก็ข่มใจไหมศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสนะี่ต่อมาถ้าเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะจิตเราทรงสมาธิได้มากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยสมาธิจะข่มกิเลสระดับกลางกิเลสระดับกลางเรียกว่านิบอล อย่างความผูกพันในความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเงี้ยเรียกว่ากามมชันทะความขัดเคืองไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรียกว่าพยาปาทะพยาบาดนะความฟุ้งซ่านรําคาญใจนะเรียกว่าอุทธจากกุกุ จ, จักความลังเลสงสัยนะเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยนี่ไม่ใช่สงสัยว่า ถนนหน้าโรงแรมนี้วิ่งไปไหนไอ้นั่นไม่ใช่วิจิกิจฉานะวิจิกิจฉาจะสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความสงสัยทั่วๆไปนี่ไม่เรียกว่าวิจิกิจฉานะตัวสุดท้ายคือตัวถีนมิต ะ, ะใจที่มันเสื่องซึมนะพวกเนี้ยเป็นกิเลสระดับกลางพอกิเลสระดับกลางทำงานขึ้นมาเรา สู้มันไม่ไหวเราไม่มีสมาธิกิเลสระดับกลางคือนิวรณ์ทำงานขึ้นมานะมันจะกระตุ้นให้เกิดกิเลสหยาบคือโอบโกรธหลงขึ้นมานะี่กิเลสมันมีหลายระดับนะนี้ถ้าเราจิตเราทรงสมาธิอยู่ก็ข่มนิวรณ์ได้ศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ยอมทําตามกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาครอบงําจิตนะไม่ขม่มในคนละจุดนะ ส่วนปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดลากถอนโคลกิเลสปัญญาที่จะใช้ในการขุดรากถอนโคลกิเลสเนี่ยชื่อว่าวิปัสสนาปัญญานะวิปัสสนาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่วิปัสสนาขุดล้างกิเลสไม่ได้จริงนะปัญญาทั่วทั่วไปที่คนเรามีเนี่ยดีไม่ดีกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสซะอีก นะบางคนฉลาดมีปัญญามากใช่มแต่ว่าโกงคนอื่นได้ได้เฉียบแหลมกว่าคนอื่นงั้นปัญญาอย่างโลกโลกเนี่ยบางทีเป็นเครื่องมือของกิเลสนะและต้องวิปัสสนาปัญญาคือเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจความจริงเบื้องต้นคือเห็นว่าตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราความจริงเบื้องกลางก็เห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ปัญญาสูงสุดเนี่ยจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่างเข้มแข็งนะแท้จริงแล้วมันคือตัวทุกขนะ์ถ้าเห็นอย่างนี้นะก็มันจะปล่อยวางจิตปล่อยปลยความเห็นผิดไปนะปล่อยวางกายไปปล่อยวางจิตไปนะก็ไม่มีอะไรให้ปล่อยต่อไปลนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็มาถึงกันตรงนี้เองนะอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะแตกสลายออกไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกนะ ใจิตใจเราเนี่ยจะโปร่งโล่งพวกเราเคยเห็นได้ลูกโป่งที่เขาอัดแก๊สไว้ไห ม, ไหมลอยได้อะเมืองไทยเขาเรียกลูกโป่งสวรรค์นะที่นี่เรียกลูกป่งอะไรไม่รู้นะมันลอยได้มันมีแก๊สอยู่ข้างในเราเอาเข็มไปแทงมันแตกนะแก๊สมันสลายตัวกระจายออกไปเต็มโลกธาตุเลยนะจิตของเราเนี่ยมีเปลือกหุ้มอยู่ในวันที่เราทําลายเปลือกนี้ออกไปเนี่ยนะ จิตเราเนีจะไร้ขอบเขตกว้างขวางไร้ขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะงั้นเราจะเข้าถึงพนันิชภานได้นี่หลวงพ่อสรุปให้พวกเราฟังนะว่าเส้นทางที่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะเจอถ้าเราไม่เลิกปฏิบัติซะก่อนแล้วปฏิบัติให้ถูกนะ มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมาธิไม่เชาาสอนแล้วมีสองอย่างสมาธิหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันเรียกว่าอารมณูปนิชานเอาไว้พักผ่อนนะอีกชนิดหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวผ่านไปผ่านมาอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับจิตเป็นคนดนะูอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชาน และในขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวจิตที่เป็นคนดูเองก็เกิดดับเหมือนกันนะเช่นเดียวกับอารมณ์ทั้งหลายในะตัวจิตเองก็เกิดดับเหมือนกันถ้าเห็นถึงตัวนี้เราจะไม่ได้คิดต่อไปแล้วว่าทํายังไงจิตเราจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวราจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรอยู่ในโลกอีกแล้วคําว่าโลกเนี่ยรวมทั้งพรหมโลกด้วย ทั้งเทวโลกโลกของเทวดาทั้งพรหมโลกจะไม่มีอะไรให้ยึดได้เลยเพราะเมื่อจิตเป็นตัวทุกข์เสแล้วเนี่ยไปอยู่ในพรหมโลกมันก็ยังทุกข์เพราะมันทุกข์ที่ตัวจิตต่างหากไม่ได้ไปทุกข์ที่พรหมโลกที่ไหนลนะมันทุกข์อยู่ที่จิตเราเองมันเหมือนเราไม่สบายนะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวเราเราไปอยู่บ้านหรูราแค่ไหนนะเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันมีเชื้อโรคอยู่นะทั้งนั้นจิตเนี้ยถ้าเรายัางปล่อยวางไม่ได้ เราก็ยังเวียนว่ายไตเกิดไปเรื่อยๆหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เข้าไปเรียนกับท่านนะประมาณ30สกันยา2 5 2 6ันประมาณนั้นนะวันเวลาเริ่มลบเลือนแนละ้วมันหลายสิบปีไปเรียนกับท่านนะครั้งสุดท้ายเลยแลท่านสอนบอกว่าต้องจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เข้าใจไหมท่านถามบอกไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้ล้วไปภาวนาไปนะหลวงพ่อรุ่งเช้าหลวงพ่อลงมาที่โคราชนะไปกราบหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าหลวงปู่ดูลีกสอนท่านแบบเดียวกันนี้พนะอผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตแล้วท่านก็บอกว่าการทำลายผู้รู้ไม่ใช่ไปเพ่งมันให้แตกนะไม่ใช่ไปทาลายแบบนั้น ถ้าอยู่ๆเราไปเพ่งตัวผู้รู้ให้แตกเน่ยบ้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นอย่ไปยุ่งกับมันอย่างนั้นส่วนสําคัญที่ทําลายตัวผู้รู้ได้ก็คือไม่ยึดถือมันนี่จะไม่ยึดถือมันได้เราต้องรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ต, ตัวจิตผู้รู้มันยังอยู่ในวิญญาณขันธ์นะมันยังเป็นก่องทุกข์อยู่มันคือตัวทุกข์ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตผู้รู้คือตัวทุกข์แล้วก็จิตมันจะปล่อยวางจิตได้ ที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียนทำลายผู้รู้ไม่ใช่อยู่ๆไประเบิดมันทิ้งนะให้เป็นบ้าเลยนะฉะ้เราต้องพัฒนาจิตผู้รู้ของเราขึ้นมาให้เข้มแข็งให้เติบโตอาศัยจิตผู้รู้ไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจอย่างจะเรียนรู้กายเนี่ยมีจิตผู้รู้เป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูในที่สุดก็จะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความถูกร่างกายไม่ใช่ตัวเรา อาศัยมีจิตผู้รู้ไปรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายก็จะเห็นสุขทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงสุขทุกข์ทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้สุขทุกข์ทั้งหลายควบคุมบังคับไม่ได้อาศัยจิตผู้รู้ไปเรียนรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรดหลงทั้งหลายก็จะเห็นความจริงของมันว่าโลภโกรดหลงทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งดีและชั่วนะ เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายเลยเห็นว่าตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดมกลิ่นเดี๋ยวรู้รสเนี่ยจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นะเกิดทางใจก็ยังมีทั้งเป็นกุศลและเป็นอกุศลอีก นะจิต ท, ทางใจก็เป็นอกุศลก็มีอ่งจิตโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะเป็นอกุศลจิต ท, ทางใจที่เป็นกุศลนี้ก็มีตัวจิตผู้รู้ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่งนะั้นเราค่อยๆฝึกไปสุดท้ายเราก็ปล่อยวางที่ปล่อยวางได้เพราะเห็นความจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะในขันธ์ห้าในกายในใจนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรอก สิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเห็นความจริงตรงนี้มันยึดทําไมมีแต่ทุกข์เห็นอย่างนี้มันก็ไม่ยึดเองละพอไม่ยึดมันก็หลุดพ้นตรงนั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดเรื่องเราภาวนานะให้ถึงวิมุตต์หลุดพ้นให้พ้นทุกข์ให้ถึงพระนิพพานอนะไรนี่คือจุดตรงนี้เองเมื่อไรอไม่ทุกข์เมื่อนั้นนะนะก็ใช้ได้ละถ้ายังทุกข์อยู่ก็คื อ, อยังมีกิเลสอยู่ทุกข์ไม่หมายถึงทุกข์ทางใจนะ ร่างกายเนี่ยพระอรหันยังทุกข์อยู่เลยร่างกายมันมีมาแล้วต่อไปส่งกันบ้านขอ น, อน้อมนมัสการท่านหลวงพอ่อคนใคนฟังเริ่มฟั ง, งกันทางหลวงพ่อเทศนาผ่านทางยูทูบผ่านทางนียมาประมาณปีกว่าๆคนใดสมั า, า, มาปัจจุบันนี้คน อยากขอข้ามิตาจากท่านหลงพอว่าที่คนะพิธิบัติมาหันมีอันใดที่าควรได้แก้ไขเต่มด้วยบาจอันใดที่บายัางเป็นกุศ์ขอทั้งทั้งโอภร อ, อที่ยมภาวนาอยู่ดีแล้วนะสะสมโมราไปมีสติรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวนะเรลยอไปบังคับจิตให้นิ่ง ปล่อยให้กายปล่อยให้ใจมันทํางานเรามีสติตามระลึกตามรู้ไปนะจิตของโยมเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมนะรู้สึกไหมมันคลายตัวออกจากโลกมันเข้าไปยึดโลกน้อยลงน้อยลงนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ทุกข์น้อยลงทุกข์เบาลงทุกข์สั้นลงนะนี่เราค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นด้วยตัวเองเลยว่าเราไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆ ที่โยมภาวนาอยู่ดีนะค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปนะไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกนะภาวนาให้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆพอเห็นแล้วใจมันจะคลายความยึดถือพอใจมันคลายมันจะเป็นอย่างที่โยมเป็นนะเริ่ ม, เ ร, มเริ่มคลายออกมันจะเบาสบายนะรู้ตื่นเบิกบานฝึกไปเรื่อยๆนะเอะต่อไป วันนี้กลัวจะแย่แล้วต้อนรับส ก, การณ์หลวงพออืมขน้อยพังหลวงพ่อเทศทางยูทูบมาสี่ปีละปฏิบัติถูกมือถูกมือพังถุกมือเนอะาะจะทำหลวงพ่อวะ่ะปฏิบัติเนีนี่ถืออยู่บ่อะเวลาเข้าเอื้อโทพท์เนาะมันจะพูดขึ้นอยู่นี่ก็ใช่แต่หลังเธอมันจะพุทพุทธขึ้นทางหลังช่วยแปลทีเสียงมันก้องๆรอง เวลาโทรสารไปหามาแล้วเกขึ้นทางหลังเมื่อคเวลาเกิดโทรสารแล้วจะรู้สึกมีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ผุดขึ้นจากกลางอกเนี้ยแล้วอะไรข้างหลังนะบางทีก็ผุดขึ้นข้างหลังเออมันมันจะผุดขึ้นจากกลางกลาเนี่ยนะผุดขึ้นมาแล้วถ้ามันแดงมันขึ้นมาครอบหัวเราเลยะไม่เฉพาะโทรสารนะราคาก็ขึ้นแบบเดียวกันนะ กิเลสเท่าไหร่ก็ผุดขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วกุศลก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนี้แหละทั้งกุศลทั้งอ ก, กุศลแล้วเวลาเกิดอริยามรรคเกิดอริยผ ล, ลก็แวกออกจากกลางอกนี้เองเพราะเราเห็นสิ่งที่ผุดขึ้นกลางอกเนี่ยเราก็รู้ไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่ผุดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นไม่ต้องไปล้ามันนะไม่ใช่เห็นโสทสะทํายังไงจะไม่มีโทสะไม่ต้องล้ามัน เฝารู้เฝ้าดูไปเห็นโทสะผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวขึ้นอีกก็รู้อีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าดูตัวนี้บ่อยๆเนี่ยแต่ไปเราจะเห็นว่าทุกมากเลยที่มันจะเกิดความรู้สึกทุกข์ๆนะถ้าทุกข์จนทนไม่ไหวเนี่ยมีที่พักอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือการทําสมถะกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ก็ได้สมถ ะ, ะถ้าใจสงบด้วยกําลังของสมถะกรรมฐานแล้วเนี่ยก็กลับมาดูต่อ เห็มันผุดผุดผุดทั้งวันเลยบางทีมันไม่ผุดโผล่ขึ้นมานะมันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยกุดุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกเคยเห็นไหมไม่ขยับไปขยับมาอยู่เออมันกระยุกกระยิกอยู่อย่างนี้แล้วเธอเอาคิดคิดไปตรงนึงมันคู่ซึกเองว่าคิดเพ้อแล้วนะแต่ปฏิบัติปฏิบัติทุกมือทุกมือตามเอาหายใจแล้วดเต้เฮ็ดเบียกกระคืดคืดแล้วโอ้หล้แล้วอันเนี้หลงก็ไม่ว่ามันนะ เราเห็นตัวนี้ได้นะภาวนาเก่งนะครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเห็นตัวนี้ท่านไล่เข้าป่าล้วนะให้ไปภาวนามันจะดีแล้วล่ะไปดูต่อคำพุทธโธเป็นแสงอยู่ไมสิเห็นแสงเพราะว่าขมองบริเวณบริเวณทุงนะ<ถ>บริเวนทุงแล้วบัดไซติหูพังเอาอ่าบริการมพุทโธแล้วก็ อมองเห็นเป็นแสงเอย์เอยอย่าตามแสงไปตามองไม่เห็นแต่ว่ามเรียมเห็นหยกมองเห็นอยู่ตรงตรงนาภาเป็นอยู่แร่หนาเอย อ, อย่าตามมันอย่าตามแสงไปนะตามแสงไปเหมือนหลวงพ่อตอนเด็กๆตามแสงไปออกไปรู้ข้างนอกไม่ดีย้อนกลับมาเห็นในยุคยิกนี่แหละดีนะมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลย ยังจับเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมาคอยรู้มันโดยที่จิตไม่ถล่ำลงไปจิตของโยบใช้ได้จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วสังเกตไหมมันไม่ไปรวมกับก้อนเนี้ยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันมันก็ส่งตัวของมันอยู่อย่างเงี้ยทําได้ถูกแล้วดีผังหลวงพ่อทุกเมื่อถูกเมื่อนะโมทนะาให้หลวงพ่อทําอะไรได้ฟังหลวงพ่อทุกวันทุกวันก็ขออนุโมทนาด้วยเท่านั้น ไปดีมากๆเลยภาวนาะโดยนักการพระอาจารย์ขออนุญาตว่าภาษาไทยให้อาจารย์เลยนะคะพอดีอันนี้ฝึกสมาธิแสงสว่างฟังอาจารย์ทุกวันแล้วก็มารู้สึกว่าการฝึกของพระอาจารย์มันง่ายง่ายและก็ง่ายมากๆเกินที่คิดนะคะเพราะว่าเป็นนักกิตตวิทยาตอนนี้ทํางานเรื่องการพัฒนาเด็กก็เลยติดใติดใจในเรื่องของสมถะ กรรฐานที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อเช้านี้นะคะเลยให้อาจารย์แนะนําว่าการทําอุบายหรือการวิธีการทําให้คนอื่นที่เขาเข้าใจทายากๆเนี่ยแล้วทําให้ง่ายขึ้นเนี่ยจะฝึกยังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่นะคะยค่ะก็ดีนะแต่อย่าไปสอนเด็กเข้าฌานนะเดี๋ยวไม่เกิด <c oughs> <c oughs> ก่อนจะเข้าฌานเกิดนิโมงุงนิมิตอะไรแล้วทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์งงตายเลยนะ สอนให้เขารู้สึกตัวนะให้เขาอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะนะเขาจะมีความสุขเพราะจะเป็นคนดีถ้นะนะเาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะเราสร้างเด็กได้แบบนั้นก็วิเศษมากแล้วการทําแสงสว่างกระสินแสงสว่างนะก็เป็นสมถะกรรมฐานอย่างหนึง่งนะไม่ทําให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนนจะให้เกิดปัญญานี้ย้อนมาที่กายที่ใจของเรานี้โอปัยญิโกรกลับเข้ามาย้อนเข้ามา ดูกายดูใจมันทำงานไปจนเห็นความจริงไม่ใช่เราหรอกมีแต่ก้อนถูกทั้งนั้นน่ะน่ะต่อไป <Gotcha. S 3> ขอกราบนรรมส ก, การหลวงพ่อประมอนขออนุ ญ, ญาตาพระพาษศาไทยเลยขน้อยได้ปฏิบัติก็เหมือนไม่แน่ใจว่าปฏิบัติหรือเปล่าก็คือฟังจากอ่านเอกสารฟังแล้วก็ดู YouTube ครั้งแรกก็ทำ ก็คือดูลมหายใจพอนานๆเข้าก็มาเห็นยูทู e ของอาจารย์ก็เลยมาดูว่าทำไมเรามีโมหะโทสะเยอะมากเหลือเกินก็เลยเอาไปปฏิบัติตอนที่ทำงานหรือเรียนหนังสือแต่ก็พอทำไปทาไปก็กลับมาดูอีกครั้งว่าเรามีอะไรที่ยังไม่ถูกทางไม่ถูกหลักก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพบครูบาอาจารย์ แล้วก็มาขอทางที่ว่าจะปฏิบัตินับจากวันนี้ไปค่ะก็ปฏิบัติไปนะค่อยๆฝึกไปใจเราก็ค่อยก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไม่ใช่สมาธิดีนะแต่ว่าเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้นะมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะไม่ถูกเพราะกายไม่ถูกเพราะใจงั้นเรายิ่งภาวนาเราก็ยิ่งพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ฝึกไปได้ได่อยๆดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะคุณน้อพักธีรมาธีะระหลวงพ่อนะอคุณน้อยเคยฟังยุทธทุกหลวงพ่อมาในประมาณเก้าปีปายนี่ละ่ะแล้วก็ได้มีศรัทธาที่ว่านำธรรมะของหลวงพ่อนะ แล้ผู้น้อยมีโอกาสที่ได้ไปฟังธรรมะที่หอธรรมะทาาหลวงได้มีให้ผู้น้อยมีความรู้สึกที่ว่าภูมิใจที่ว่าได้เข้าไปฟังธรรมะครั้งแรกที่หอธรร ม, มแะแต่สิ่งปรากฏขึ้นมาคือว่าผู้น้อยได้นั่งแบบนั่งสมาธิแบบคือหลวงพ่อบอกว่าทําปกติไม่ต้องคิดโปวดละลายนะแล้ว ฟังใจจดจ่อและเหลียวบึ้งที่พระพุทธเจ้าใหญ่ในหัวธรรมะนะยุดจุดจงตรงกลางของแกนดังนี้แล้ววาดภาพจะเห็นว่ามีพระบุรุษที่สองคนย่างเข้ามาแล้วว่ามานั่งเคียงข้างมามนั่งฟังแล้วผู้น้อยกับเฮ็ดปกติปกติไปแล้วก็เหลียวไปเสือกบึง้งกันนั่งอยู่เคียงข้างตลอดไปล่ะและ้วก็ เดินไปแล้วผู้น้อยก็เพินไปในการตั้งธรรมมาวันนั้นล่ะแล้วก็เห็นเพื่อนและหลุดออกไปแล้วก็บูมูว่าจะเป็นอะไรว่าในปรากฏการ์ตัวนั้นเป็นพลบุญหรือว่าเป็นจิตสำนึกของผู้น้อยเองจะให้หลวงพ่ออธิบายตื่นเป็นจิตสำนึกของเราเองเนาะมันเรียกว่านิมิตอย่างการที่เรานั่งเพ่งพระพุทธรูปไปเรื่อยๆนะจิตเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ก่อนที่มันจะรวมลงไปนะมันจะเกิดนิมิตได้เวลามีนิมิตขึ้นมาบางทีก็เห็นพระพุทธเจ้ามาพูดได้ด้วยนะบางทีพูดกับเราได้ด้วยสอนเราได้ด้วยสนะิ่งเหล่านี้ครบาจารย์ถ้าเรียกว่านิมิตเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจนะว่าโ้เราพอนาเราได้รู้ได้เห็นมีกำลังใจพอมีกำลังใจแล้วเราต้องพอนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะ คอยมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจลงไปกายนี้มีแต่ทุกข์นะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปกายนี้มีแต่ทุกข์ใจนี้ก็มมนนเตเ็เมตไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้ารู้อยู่ที่กายเฝ้ารู้อยู่ที่ใจให้เห็นกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนดูอย่างนี้แล้วเราจะก้าวหน้าแล้ววันหนึ่งจะพบพระพุทธเจ้าตัวจริงนะอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเนะวลาจิตทรงสมาธิมันสร้างขึ้นมา ยังมีพระมาบอกหลวงพ่อนะไปเรียนกับหลวงพ่อวนะ่าบางทีมาขึ้นภาวนาอยู่ตามถาม้ำตามเขานะบอกว่าอากาศมันหนาวจัดมากเลยไม่รู้จะทําไงนะแทบจะขาดใจแ ล, แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อพอเนึกถึงหลวงพ่อเนะี่ยเวลาหายใจออกมาเหมือนมีไฟพุ่งออกมานะไฟพุ่งมาว่าหลวงพ่อมาช่วยแล้วหลวงพ่อมาสอนแล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนหรอก อยู่ที่วัดนั่นแหละนะท่านไปอยู่ถ้าไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าจิตของท่านเองมันมีสมาธิขึ้นมาพอเนึกถึงครูบาอาจารย์นะมันเป็นสังขานุสตินึกถึงครูบาอาจารย์อย่างมุ่งมั่นเด็ดเดียวเนะี่ยจิตเป็นหนึ่งนะครูบาอาจารย์เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเขาจับกันเนี่ยจิตจับครูบาอาจารยนะ์สมาธิมันก็เกิดและสมาธิเกิดมันก็เกิดพลังจิตขึ้นมานะ เกิดกับสินไฟเกิดอะไรที่เคยเล่นก็กลับมาเท่านั้นแหละเพะนิมิต ท, ทั้งหลายเป็นของสนุกแต่ว่าพาให้เราหลงง่ายข้อดีก็มีทำให้เราเกิดศรัทธาแล้วทำให้เราไม่กล้าทำผิดศีลอย่างบางทีเรานั่งๆเราเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยมันเป็นนิมิต ท, ที่เราไปเห็นเข้าเราก็ไม่กล้าทำบาปแล้วก็มีข้อดีแต่ถ้าเราพอใจติดอยู่แค่นี้เราก็ไม่พัฒนา จะพัฒนาได้เนี่ยต้องเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจจริ ง, รงๆนะดู บ, บ่อยๆถูกมูดนาถูกขอกบมันกสการอาจารย์ประโมทเนยขน้นยเป็นเธอตัง้งิดแต่พออาจารย์หลังจากที่ได้ฟังแต่ยูทูบมาหลายเดือนขน้อยอันปฏิบัติธรรมของขน้อยเริ่มต้นได้หกเดือนได้เปลี่ยนชีวิตของขนไยมดแนวขึ้นเรื่องสติ สมาธิปัญญาเปลี่ยนไปเมดขอไหร่ทั้มือนี้เขาจะจังคอยอยากหูจักประการปฏิบัติของขน้อยนี่ถือต้องบอสแต่ว่ากมีแต่ทางด้านความสุขมาต๊ะมันมืดหนึ่งปรากฏว่าเขาไม่บเห็นต้นโตขน้อยเลยพอข้าน้อยนั่งเห็ดพุทโธพุทโธต้นโตบะมีเลยข้น้อยแล้วขยตกใจร่มหันใจขน้อยหายไปเลยแล้วสเสตียมันจีมาปุ๊กขน้อยลุกขึ้นให้ขึ้นมาเพราะว่า รู้สึกประมหันใจผูมีเลยเขาเนีอยเขาได้เขาเยย่านตัวนี้แล้วก็เลยยุดจังไประามแบบการปฏิบัติของขน้อยถูกต้องบอกข้านายแปลที่นังพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจจนรู้สึกตัวตนหายไปแล้วก็มีสติเกิดขึ้นกลับมาอแล้วก็รู้สึกกลัวอาการเช่นนี้ครับกลัวกลัวอตอนที่มีสมาธิมันไม่กลัวหรอก ตอนออกจากสมาธิแล้วมันตื่นจะกลัวนะไอ้เจ้าลมหายใจมันหายไปกลัวอะไรก็กลัวตายมันไม่หายใจใช่ไหมมันไม่ตายดอกหลวงพ่อไม่เคยเจอใครภาวนาแล้วตายเลยนะวันนี้ยมันบอกให้เราเห็นนะว่าจริงๆเราเองรักในร่างกายนี้มากเลยนะรู้สึกว่าลมหายใจหายไปเลยตกใจกลัวนะแล้ว แล้วก็ดูต่อไปอีกนะภาวนามาถูกแล้วล่าภาวนาบทีไม่ตายดอกไม่ต้องกลัวนะเขนอยสามารถแยกอีขันธ์หยออกไดปได้โดยเกาไม่ย่านละเดี๋ยวนี้พราะมันบุหินตนโตแล้วเขนเยบุหินตนโตเลยบ้ลนะไม่ไม่ไม่เห็นตัวตนของตัวเองก็เลยรู้สึกกลัวหัดภาวนาใหม่ๆนะที่เมืองไทยก็มีเยอะเลยภาวนาไปภาวนาไปมันเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี เอาตัวเราไม่มีนะตกใจกลัว <Okay. S 2> เพราะว่าเรารักในตัวเองมากเพราะความจริงมันฟ้องว่าตัวเราไม่มีมันทนไม่ไหวนะก็ต้องอดทนนะเพราะความจริงเราไม่มีหรอก <Right. S 2> ความจริงมันที่เราไปเห็น น, นั่นแหละของจริงไอ้ที่เราว่าเราเป็นโน้นเราเป็นนี้นะไม่จริงหรอกนะถึงวันหนึ่งก็แตกสลายไปหมดไอ้สิ่งที่ว่าว่าตัวเราตัวเราณกระทั่งร่างกายเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็แตกสลายไปเพราะนั้นตัวเราไม่ได้มีจริงๆ เป็นอนัตตานะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ต้องกลัวหรอกค่อยๆดูไปส่วนเอที่มันจะกลัวบ้างอะไรเป็นธรรมดาเห็นครั้งแรกมันตกใจเมื่อตัวเราหายไปบางคนแปลงฟันอยู่นะขยับขยับเนี้ยเห็นมือเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่รู้เป็นตัวอะไรเห็นอย่างนี้ตกใจเลยนะตกใจที่จริงก็ไม่ต้องตกใจแล้วจริงๆมันไม่เป็นตัวเรามาแต่แรกแลเราไปลงผิดว่ามันเป็นตัวเรา พอไปเห็นความจริงเข้าทนความจริงไม่ไหวนะค่อยๆดูไปเดี๋ยวใจยอมรับได้สบายไไบนไหกล่าวนราษการบาอาจารค่ะเ ต, ต่นเต้นแต่ลูกมานั่งเลยค่ะหนูขอาการเรียนถาม สิ่งที่กระทำมาแล้วค่ะว่าที่ปฏิบัติมาให้หลวงพ่อคอนเฟิร์มหน่อยค่ะเราคิดว่าหนูทำถูกแล้วจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมดูออกไหมจิตขนาดนี้ตั้งมั่นเป็นคนดูหรือจิตขนาดนี้กว้างๆออกไปจิตขนาดนี้ดิ้นไปดิ้นมามองออกไหมอย่าพยายามหาสิ <laughs> จะต้องให้มันผุดขึ้นมา ก, ก่อนมันเกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้ถ้าพยายามจะดูมันจะว่า ง, างว่างหนูจะเห็นเป็นฐานกายว่าจะเห็นในร่างกายมันมีความกระเพื่อมเคลื่อนไหวตลอดเวลาดูกานะมีความร้อนอืมตลอดค่ะแล้วก็หายใจก็จะติดขัดตลอดออถ้าเห็นข้างในนั่นแหละการที่เราเห็นตัวนั้นเรียกว่าเราเห็นธาตุไฟนะ ในธาตุไฟในตัวเราเนี่ยไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวร้อนตรงนั้น<ช>เดี๋ยวร้อนตรงนี้นะเดี๋ยวร้อนมากเดี๋ยวร้อนน้อยนะดูไปเรื่อยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุดูอย่างนี้นะไม่ต้องดูจิตออกดูกายก็ได<ะ>นะ้เห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตนะุมีธาตุเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนีย่ยธาตุไฟเดี๋ยวก็ามากเดี๋ยวก็น้อยนะเนี่ยค่อยๆดูไปจนวันหนึ่งปัญญามันรู้ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองนะดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆพอดูไปช่วงหนึ่งพอใจฟุ้งซ่านกลับมาไหว้พระสวดมนต์ทําสมถะทําความสงบพอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วกลับมาดูกายใหม่ให้เห็นว่าร่างกายเป็นแค่ก้อนธาตุรู้สึกไหมนี่เป็นก้อนธาตุก้อนดินนะเป็นก้อนดินเราจับมือตัวเองดูสิบางที่ก็ร้อนบางที่ก็เย็นนะ ตรงที่ร้อนคือมันเป็นทัดไฟเยอะค่ะเคยเห็นที่ตัวเองแบบเป็นเหมือนถุงแกงอะค่ะเทไปแล้ว่ะเห็นถูกแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายมากอยากโกนหัวตอนนั้นแบบแบบว่ารู้สึกมันลกลบกรุงรังเออมันยังเบื่อไม่จริงดอกะมันเบื่อเบื่ออยากอยากเนาะค่ะเห็นแค่ประมาณวันเดียวค่ะกลับมาเหมือนเดิมเออมันเบื่อเบ่ออยากอยาก ในความเป็นจริงนะร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งร่างกายเนี่ยเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของสปกปรกโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะรู้สึกไหมในเนี้ยสปกปรกเป็นถุงหนังใบหนึ่งสิ่งที่ไหลออกมาจากร่างกายสปกปรกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจมันจะค่อยเบื่อหน่าย แต่ก็ถ้าเบื่อหน่ายมากๆบางคนทนไม่ไหวนะฆ่าตัวตายเลยก็มีวิธีจะป้องกันไม่ให้ไปฆ่าตัวตายหรือทําความสงบเข้ามาเป็นช่วงๆอย่าเจริญปัญญารวดไปเจริญปัญญารวดไปแล้วทนความจริงไม่ไหวนะ<ะ>ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกร่างกายเนี่ยเหมือนหม้อดินแตกดับง่ายนะกระทบอะไรนิดนึงก็แตกแล้ว ร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยของปฏิกูลอสุภะไม่สวยไม่งามอยู่ภายในนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะได้ไม่หลงรักร่างกายนี้มากเกินไปต่อไปร่างกายมันแก่เราก็จะเห็นไอ้ตัวนี้ไม่ดีมันแก่ร่างกายมันเจ็บไอ้ตัวที่ไม่ดีมันเจ็บนะร่างกายจะตายไอ้ตัวไม่ดีถุงหนังนี้มันจะตายแล้วเราไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายนะพยายามดูไปเรื่อยๆไป ภาวานามาอย่างนั้นก็ใช้ได้ดูกายเอาขอบคุงค่ ะ, ะการนมัสการหลวงพอ่อประมุตตื่นเต้นคือกันฟัง <c oughs> uh, YouTube ของหลวงพ่อมาประมาณสามปี uh, ผู้ดีเดือนที่แล้วๆหัน uh, ฟังผ่านย t u b e ได้ยินว่าหลวงพอ่อจะมาแล้ว โอ้ดีดีใจโบเอ็ตโบหลวงพ่อจะโอบโบว่าวันเนาะโบว่ามื้อมีแต่ว่าออจะมาแล้วแต่โบโบขึมม้นมาเมื่อนี้สิได้มีวา ส, สนามาทรงกันบ้านหลวงพ่ออาทิตนี้เป็นเถ้าทาอิษเลยที่อได้มีโอกาสอฟังหลวงพ่อมาประมาณสามปีแต่บได้ปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังเริ่มปฏิบัติจริงจังนี่ประมาณหกเดือนอ แล้วที่ปฏิบัติมาก็จือคำแนะนำหรือคำสอนของหลวงพ่อคื อ, อ, อเดี๋ยวนี้หันจะส่วนมนตอนเศร้ากับตอนแรงแล้วาทาวากับักับแต่ทำงานมาจะาจะนั่งสมาธิเพราะว่าอิทนิโมมักเดินจงกรมมักนั่งสมาธิแล้วเวลาทำงานหันกระจือคำแนะนำของหลวงพ่อว่า เขามีเาเาสามารถทำสมาธิได้ทุกบอคือแม้แต่กระทั่งเวลานางประสมถาว่า mm hmm. มันบ่มีอย่างหนาฝังเขากะนางสมาธิของเขา mm hmm. ในใจซึ่งว่าบ่มีไผงหูผู mm ้ hmm. ดีโชคดีอ่อยู่คัางที่ทำงานจะมีวัดกะอา่าทานเข้าตน้นตอนตอ น, ตอนสวยกะยางออกไป mm hmm. อ่แต่ว่ามีปัญหาอยู่สงสงสงยางที ท, ท, ทีพบคือตัวที่หนึ่งฮัจะเป็นคน้คนค่อนค่าง มันมันมันคล้ายๆมันมีสองโตโตหนึ่งจะเป็นโตที่ลังเลสงสัยและโตหนึ่งนี่จะเป็นโตที่แบบว่ามีศรัทธาแล้วเวลาทำเวลาปฏิบัติไปโตที่ลังเลสงสัยจะตั้งคำถามคือในเฮาเพื่อว่าว่ามันมันดีแท่บ่อมันจังซี่แท้บ่และโต้อีกโตที่ศรัทธาก็จะมาตอบระหว่างข้างเฮาก็เหนื่อยเหนื่อยที่เฮาจะต้องอจะต้องตอบจะต้องตอบตัวนี้ ระวังเตือเขาก็ท่อเพราะว่าตัวนี้มันจะถามตลอดแล้วตัวนี้ก็จะตอบตลอดเอยไปห ล, ลงคนมันซี <c oughs> ให้รู้เลยว่าไอ้ตัวที่ถามเนี่ยจิตฟุง้งซ่านดูมันเข้าไปตรงๆเลยอ๋อไอ้ตัวฟุง้งซ่านแค่นี้มันวิ่งหนีเลยแม่หลงพรแต่ว่าโซ่สิไปอดจุดนั้นเหนื่อยโซ <c oughs> <c oughs> ไปาะตัวที่มันวิ่งหนีตัวเองเหนื่อยแล้วปัญหาตัวที่สองที่เจอนีก็คือเออออ สำหรับตัวตนในหางไก่เฮานี่เขาจะบุคอยอะไรหรือเขาจะเบิ่งเห็นว่าเป็นเเปป็็นนสิ่งอื่นไปแล้วเนาะเขาเบิ่งโตเขาละคือเจ็บคือมีอย่างกระทบใส่หางกายเฮานี่เขาจะโบเขาจะโบเขาจะโบมีทุกเลยถึกถึกถึกบาดมือถึกมีแนวมากัดเขาก็จะบบมีทุกแต่เวลาที่มันมีอเรื่องกระทบทางด้านจิตใจเขายังแยกเขายังแงกบริเขายังเห็นเป็นโตตนของเขาเพอร์เวอร์โตใหญ่เลยโยนว่า อันนี้เปนเฮาเลยว่าบุคคลว่าหลวงพ่อจะเมตตาแนะนําวิธีแนี่ยใดเฟิ่ออีกเวลาเราภาวนานะมันจะเห็นความจริงของกายก่อนเวลาวางก็วางกายก่อนจิตเนี่ยดูยากว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเมื่อไหร่เป็นพระโสดาบันละนะเราก็เฝ้าดูไปจิตเนี่ยเราสั่งได้ไหม สั่งให้สงบสั่งว่าอย่าฟุ้งซ่านอย่ามาถามอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้เห็น <are> ไหมพอมันถามแล้วบอกเองไม่ต้องไปตอบหรอกมันก็จะตอบแ <Yeah. S 1> นะน่ยมันกําลังสอนธรรมะให้เรามันสอนว่าจิตนี่เป็นอนัตตานะจิตเป็นอนัตตาเพ้นเราอย่าไปหลงกลมันถามมันตอบกันเนี่ยรู้เข้าไปเลยรู้ภาพรวมเข้าไปเลยจิตฟุ้งซ่านนี่แหละจิตฟุ้งซ่านนั่งเทียงกับตัวเองอยู่นี่แหละนะ พอเรารู้ทันอย่างนี้นะมันจะดับเองเลยถ้าเราใจเป็นกลางนะแต่ถ้าเราเกลียดมันกลัวมันเนี่ยมันไม่หายหรอกนะใจของโยมไม่เป็นกลางยังไม่ชอบมันอยูนะ่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางพาใจเป็นกลางแล้วมันดับเองนะแล้วที่ภาวนาอยู่นะใช้ได้นะขันแยกแล้วจิตมีสมาธิถูกตั้งมั่นอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้เสื่อมได้นะทุกวันต้องปฏิบัติอีกไม่งั้นเปนเสื่อม แล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราะจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราดูไปกราบธรัมสการหลวงพ่อน้อยขอโอกาสตามหลงพ่อเมตตายกยกใหม่แบบนี้กโดยขน้อยขอโอกาสจากหลวงพ่อเมตตาให้คําแนะนําแนวทางปฏิบัติในครับขน้อยด้วยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปนะ หายใจแล้วก็รู้สึกไปเห็นร่างกายทั้งตัวเนี้ยมันหายใจเห็นตัวเนี้ยทั้งตัวเนี้ยหายใจอยูนะ่ไม่ใช่ไปดูแต่ลมนะถ้าดูแต่ลมจะกลายเป็นเพ่งลมเป็นกสินลมไปรู้สึกไปตัวนี้หายใจออกตัวนี้หายใจเข้ารู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆสมาธิกับสติของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรามีสติมีสมาธิต่อไปปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพยายามหายใจไปหายใจไ้ ก า, ก, การนมัสการหลวงพอ่อเวลาคิดถึงการปฏิบัติมันจะเข้าไปกดอ่านยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าเราควรใจเหตุกรรมทานว่ใดเพราะเรารู้ว่ากดนะแต่ไปมันก็จะค่อยๆน้อยลงนะจิตของคนทั่วๆไปที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยมีแบบเดียวคือหลงหลงหลงหลงหลงหล ง, ลงทั้งวันเลยนะหลงทุกวันด้วยหลงตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะ จิตของผู้หัดใหม่ๆจะมีสามแบบมันจะหลงไปแล้วเราก็เกิดรู้ว่ามันหลงนะเสร็จแล้วเราก็กลัวมันจะหลงใหม่มันมาอันที่สามมานั่งเพ่งจ้องไว้อย่างเงี้ยนะต่อไปพอเราฝึกชํานาญมากขึ้นนะมันจะเหลือสองอันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะถ้าฝึกจบหลักสูตรแล้วจะเหลือแต่รู้ไม่มีหลงนะนี่มันเป็นเส้นทางที่พัฒนามาที่ทุกคนเป็น ตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่ว่าเผลอไปรู้แล้วก็เพง่งเผลอรู้แล้วเพง่งพอเรารู้ว่าเพง่งทำไมต้องเพง่งรู้ไหมมันมีเหตุเพ่งก็เพราะว่าอยากจะดีอยากจะรู้ให้ชัดอยากจะไม่หลงไม่มีความอยากซ่อนอยู่ถ้าเราเห็นไปที่ความอยากได้ความอยากนี้ดับนะการเพ่งก็จะไม่มนะีเรียกว่าเราตัดต้นต่อมันแล้วทาลายตัวตัณหาตัวต้นต่อมัน มันมาจากอยากอ่ะที่เพง่งงั้นไปสังเกตเอาเฮอยอยากดีเนี่ยก็เลยไปเพง่งพอรู้ทันความอยากก็ดับการเพ่งก็จะดับไปค่อยค่ฝึกหม่ใหมเป็นทุกคนแหละเพง่งหลวงพ่ออยากเปิดเลยนะแต่ก่อนนะีะนี่หลวงปูดูลท่านบอกให้ดูจิตดูจิตนะเราดูซะก็ทั่งปวดลู ก, กตาเลยเนี่ยดูจิตทั้งทั้งที่ดูจิตเอาจิตไปดูนะแต่เราก็โอดเอาตาไปดูไม่ได้นะ ดูสะเมือ่อยตาไปหมดเลยนะนานค่อยๆฝึกไปนานๆ น, น, นะแต่เรามันดูได้ใจได้มันไม่ต้องเอาตาไปดูอย่างนี้ก็เหมือนกันกเพ่งก็เหมือนกันหันใหม่ๆเพ่งทุกคนแหละนะรู้ทันแล้วมันค่อ ย, ค, อยคลายออกไปมให้รู้ทันเอ า, เอาของโยมว่ามากราบนะมัสการหลวงปู่หลวงปู่ลปแล้วเนาะเอา <laughs> <laughs> ว่าไงอ่าโดยอ่าลูกกราบ ปฏิบัติมาดุลสมควรเนาะแต่ว่าเริ่มมาฟังธรรมของหลวงพอ่อแทนบูดุลหลวงปู่ก็ได้โดย <c oughs> <c oughs> ลูกก็ยังหู้ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาถือตองระบแล้วกัถูกถูกอยากขอคำแนะนาหลวงปู่ว่าควรจะปฏิบัติทังใดต่อไปเราอย่าไปบังคับจิตนะอย่างตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นแล้วเราก็ไม่ชอบที่ตื่นเต้นเราพยายามบังคับมัน อย่าบังคับจิตนะต่อไปเราค่อยๆฝึกจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่บังคับจิตม่นจะต้องดีตลอดต้องสงบตลอดต้องเรียบร้อยตลอดนะั้นปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติอยา่อยากแกล้งทําจิตอ่อนๆอนอย่างนั้นอย่ากแกล้งทํารู้ไปอย่างที่เป็นธรรมดาหายใจแรงๆทีนึ่งเราหายใจออกแรงๆนะจะได้หายตื่นเต้น เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะเห็นไหมจิตไหลไปคิดเคลื่อนไปคิดละเราก็รู้แล้วค่อยดูไปจิตไหลไปคิดมันก็ไหลไปได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆอย่าประคองจิตให้นิ่งนิดนิดเข้าไปที่โหมดการประคองจิตให้นิ่งละนะอย่าประคอง ปล่อยให้มันทํางานให้เป็นธรรมชาตินะต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยอยากขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ว่าที่ผ่านมาข้าน้อยปฏิบัติถูกหรือเปล่าถูกนะปฏิบัติถูกก็ปฏิบัติทุกวันนะแล้วต่อไปค่อยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้ไม่ต้องไปว่ามันนะ กิเลเกิดแล้วก็รู้กิเลสเกิดแล้วมองเห็นไหมกิเลสมองเห็นเวลามีทุกข์เราก็รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรอืเราก็ดับเ อ, อมีทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันมีทุกข์นะอยากให้หายก็รู้ว่าอยากนะถ้ารู้ว่ามันทุกข์แล้วใจเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางนะเนี่ยรู้จิตใจของเราให้ละเอียดลึกซึ้งค่อยๆดูไปถ้าใจไม่ทุกข์สัอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อะไรที่สําคัญอีกต่อไปแล้วค่นะอยาก จะให้พระอาจารย์แนะนำอีกตัวหนึ่งจิตสุดท้ายของมนุษย์เวลาจัดติ้นสุดของชีวิตส่วนมาขนเอามาัาจะห่วงกับ่างกายสังขารของตัวเองอันที่หนึ่งอันที่สองมาอยากให้พระอาจารย์แนะนำทาห้องหูงว้วะ่างกายนี่เป็นตัวถูกแล้วเขาอยากหลุดพ้นจากวตาสงสารนี้จะบ่ได้กลับมาเกิดอีกถ้าอยาก ถ้าอยากพ้นวัตตาสงสารยังกลับมาเกิดอีกเพราะว่ายังมีความอยากอยู่ อ, อยากไม่เกิ ด, อ ย, กกดอยากไม่เกิดนี่เรียกว่าวิภวะตัณหาเป็นความอยากชนิดหนึ่งตราบใดที่ยังมีความอยากความเกิดก็ยังมีอีกนะตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะต่อไปเอาอย่างนี้ซิเราเรียนรู้กายไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็เห็นความจริงกายนี้มีแต่ความทุกข์ เวลาจะตายนะี่ยทำใจสบายๆดูกายมันตายเราเป็นแค่คนดูไ ม, ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันถ้าไปเกลียดมันก็เกิดอีกนะนะต้องเป็นกลางจริงเลยใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะี่ยรู้ทันเข้าไปในที่สุดใจเป็นกลางเห็นร่างกายมันตายด้วยใจที่เป็นกลางนะล้วก็จะไปที่ดีแล้วละ่ะแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปไเรื่อยๆนะมนยมากมนุษย์จะห่วงกับร่างกายสังขารของตัวเองใช่ ก็หวงร่างกายนะแก่เฒ่าร่างกายไม่ดีก็ยังห่วงอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญามันแก่กล้ามันเห็นความจริงว่าร่างกายคือตัวทุกข์มันจะไม่ห่วงละวขอน้มนมัสการพระอาจารย์ค่ะพะน้อ ย, อยขอเน้นถามพระอาจารย์เพราะว่าพันมาก็ได้เริ่มปฏิบัติโดยที่บบได้อันยึตถือทางพระอาจารย์เนาะกะ เย็นได้ตนเองแดเบื้องยูทูบได้ขณะพระอาจารย์กัเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วกับยังเห็นว่าบุคูลว่าเขาปฏิบัติทุกมือนี่ไปถึงทางหรื อ, อยังหรือว่าเขาอยังเพางางราะว่าบางครั้งเขากำยังกังวลอยู่ว่าเขาไปี่แมนอยู่บหรือว่าเป็นจังได <c oughs> ม, มีอย่างขณะที่ภาวนาอยู่ดีนะมันพัฒนามาเยอะแล้วรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปใจเราปโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละค่อยๆฝึก มาได้ดีแล้วล่ะแต่ของโยมมันจะมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งนะมันยึดถือความคิดเห็นแรงนะถ้ามันยึดความเห็นนะรู้ทันเลยมันยึดความเห็นนะกิเลสตัวอื่นๆโยมรู้ทันหมดแล้วล่ะดูไปเรื่อยๆน ะ, ะคิด่าอีกนั้นว่าพาาระจันทร์เพราะว่าคิด่าการที่<ม>เขายังลังเลอยู่หรือว่ายังบางคังกับยังสงสัยะว่า การพระพฤตินี้มันเหมาะเลยว่าถูกต้องหรือยังใช้วิธีนี้สิเราจะห้ามหลังเลในห้ามไม่ได้ปุถุชนยังไงก็ต้องมีความหลังเลสงสัยมีวิจิกิจชาอยู่ว่าธรรมะอย่างนี้ดีจริงหรือเปล่าเป็นธรรมดาของปุถุชนจะต้องเป็นจะต้องหลังเลสงสัยแต่แทนที่หลังเลสงสัยแล้วจะเลิกภาวนาเลิกปฏิบัติเลิกดูกายดูใจเราไม่เลิกสงสัยก็สงสัยไปเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดู ความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละนะเพราะฉนั้นสงสัยขึ้นมาไม่ต้องไปหาคําตอบสงสัยขึ้นมาแล้วดูไปเลยกําลังสงสัยเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะได้ไม่หลงกลมันกิเลส ท, ทุกตัวเนี่ยมันจะหลอกให้เราเลิกปฏิบัติมันจะหลอกให้เราไปคิดโน้นคิดนี้ นะราคะเกิดนี้ก็จะให้ไปคิดเรื่องที่ชอบคนนู้นคนนี้โท่สาเกิดนะก็จะไปคิดพยาบาทคนนู้นคนนีนะ้ความสงสัยเกิดก็คิดฟุ้งซ่านหาคําตอบเห็นไหมมันหลอกให้เราคิดทุกตัวเลยนะเพราะฉั้นกิเลสมันหลอกเราด้วยวิธีนี้เราจะไปเชื่อมันนะสงสัยก็ได้ท้อใจก็ได้เบื่อก็ได้นะแต่ไม่เลิกสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยท้อรู้ว่าท้อเบือ่อรู้ว่าเบืนะ่อดูเข้าไปอย่างนี้เลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะชนะมัน ขอบใจพระเจ้าย์ยังไงเราก็ต้องสงสัยวิจิกิจฉาเราต้องมีนะไม่ใช่พระโสดาบันนันทสการ์พระอาจารย์ใหญ่ประโมท อ, อันนี้เป็นครั้งนบิเ ท, ทียนขน้อยได้ทรงการบานแล้วก็เป็นครั้งนบิเดพพบท่านเนาะก็เคยฟังยูทูบเพิ่นมาเกี่ยวกับการสง่งตีนะที่ทําอยู่ใช้ได้นะสังเกตไหมว่าโลกนี้มันห่างๆออกไปโดย นะโลกห่างๆออกไปสิ่งที่มาสัมผัสเรานะมันเหมือนฝันฝันอยู่โลกนี้เหมือนฝันอยู่รู้สึกไหมโดยอีกแค่น้อยนั่นแหละดดเด่เห็นนะใจมันเริ่มพัฒนาแล้วนะจิตมีสมาธิถูกต้องขันมันแยกรู้สึกไหมกายกับใจมันโคล่านสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของถูกรู้เริ่มหงสุกตัวไหวขก้นะด้วยนั่นแหละภาวนาถูกแล้วนะถูกเป๊ะเลย ขอบใจขค่น้อยไปดูต่อมีแต่ก่อนขน้อยบอได้นั่งสมาธิเนาะหลวงพ่อต่ว่าเวลาไปเคสบางเคสเราจะหงสกปวดหัวไล่ๆแล้วกินยายังก็บบดีแล้วมาเห็นวิธีว่าแผ่เมตตาไปให้สัพพสัตว์หลวอว่าตลวงพอสิแนะนำนะแล้วหายไหมแผ่เมตตาก็ให้โดยเดหายก็แผ่ไป แต่ผมหูนอกกลัวจะหูก็คือใช้เวลาเพิ่มแค่ไหนแปลกสิกลจะรู้ว่าแผ่แผ่เมตตาแล้วจะหายก็ใช้เวลานานใช้เวลานานชก็ยังดีที่รู้นะเราก็มีวิบากมีอะไรมีนี่ศีล น, นะเราทำความดีเราก็แผ่ไปบางทีเราไม่ได้เป็นนี่มันก็มีนะมันเห็นว่าเรามีบุญ น, นะมาข อ, อแล้วมาสะกิจสกิจขอไม่รู้เรื่องบีบหัวมันเลย แต่อยากความรู้สึกตัวช้านักนะไม่รู้สถทีว่าอยากจะมาขอล้วแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาไปโด่ะนอยปอบใจขน้อยนรมาสการพระอันที่จริงได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมกับย้อนแม่ของอันขน้อยเนาะนองแม่นมาสการพระาร่นอยขออันพระอาจารย์ พูดก็น้อยว่าอันเวลาขน้อยนั่งสมาธินะบางครั้งนี้ิปกีในสูตรมนุนย์อะไ้แล้วก็มาฟังธรร ม, มะพระอาจารย์ได้ปีกว่าเกือบสองปีข้ามานี้เราอิจจะเป็นเราสูตรมนุ์อะไดข้ขน้อยสูตรมนุ์ันมีแต่มีแต่คือมีคือไม่หุม่มักอยู่เลย เราบรได้ทธิ์ลราก็นั่งไปเลยสิน่ะเราจะเป็นอะไรขน้อยก็บอกโหแล้วบางครั้งก็ห่างกายกน้อยนี่คือเม็ดฝนนี่แหละตกลงมาใส่ร่างกายนี่แล้วก็เป็นเนยๆเนยๆแล้วก็อ่าเจ็บบวดชลายเขาก็อยู่ๆมันเป้าไปสิเถอะบุหูอยู่ลาลาเราก็บรเจ็บออกมาแล้วก็เจ็บตืมไป ในปฏิบัติก็อิทึกตองเขาไม่บอหรือว่าอะไรอิผิดไปไก็จะสวมดมนไม่ได้แล้วก็บางทีปฏิบัติไปร่างกายก็จะรู้สึกเจ็บปวดบางทีมีของข้างนอกแทรกเข้ามาก็มีนะงั้นเราเจริญเมตตาบ่อยๆไม่นจะมีพลังป้องกันตัวเองได้นะเจริญเมตตาไว้ เดี๋ยวของลูกสาวนะหลวงพ่อแถมให้นิดหนึ่งอย่าติดเพ่งนะอย่าขนาดนี้จิตมันเข้าไปเพ่งแล้วมันจะนิ่งนิ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมตรงนี้เด่อยอปล่อยซะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเป็นคนธรรมดานะดีที่สุดไม่ใช่เป็นนักปฏิบัตินิ่งอย่างนี้ทั้งวันไม่ดีนะเหนื่อยนะไม่ว่าอยู่สิมันฮักป็นแล้วก็ โบได้เหตุย่างสัญยังไปมันก็เป็นไปเดินไปก็เป็นไปเป็นมันนี้ได้ปีส0มพันสิบเก้านี่แล้วแอ บ, บนี้นบางทีไม่ไม่ได้ทำอะไรมันก็เป็นอาการแบบนี้ของมันเองไปหาหมอบ้างหรือเปล่าไปเออไปให้หมอดูหน่อ ย, ยไปตะกี้นี่คือน้อยไปบางทีบางทีเป็นทางร่างกายก็ได้นะไม่ใช่เป็นทางจิตอย่างเดียว น้อยไปกรุงเทพแล้วก็ไปขอนแก่นไปอุดอรแล้วก็เจ้าว่าบุ๋มียังโยมภาวนาได้ดีนะเร า, าเดี๋ยวนี้น้อยก็เล็ไปนั่นแหละค่อยๆภาวนานะ <ไป S 1> ที่ภาวนาอยู่ใช่ได้เราก็อยู่นําไล่ไล่คนนี่ก็เป็นห้วยย่องขะพองเกาเป็นแอบอึดอัดเฮ้ยเจ้าหุบหกเป็นสีบีบเขาน่ะขน้อยก็บ่มหุมจักว่ามันทึกหรือบก เวลาอยู่กับคนเยอะๆจะรู้สึกอึดอัดออไม่ได้จิตจิตมันไวเกินไปนะหลวงพ่อตอนภาวนาใหม่ๆนะเป็นที่คนเยอะๆก็อึดอัดล้มคาญยิ่งพวกเด็กวัยรุ่นอยู่กันเยอะๆน่าเราเวียนหัวเลยหัวหมุนเลยนะและจิตมันออกไปรู้ข้างนอกนะแล้วบางทีจิตชอบรู้ข้างนอกเนี่ยไปดึงอะไรเข้ามาที่ตัวเองก็ได้นะมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้พยายามรักษาใจของเราไว้ไม่สนใจคนอื่นนะ สนใจที่ใจของเราอันเดียวรักษาใจที่เดียวเลยอย่าไปสนใจคนอื่นถ้าสนใจคนอื่นมันจะรู้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างคนนั่งอยู่เต็มห้องเนี่ยดูปราดเนี่ยเราก็รู้หมดแล้ ว, วมไม่ดีดเลย<จ>ไม่มีความสุขหรอกตอนกวอนขณอยจิบเนี่เป็นศีพระอาจารย์อยู่ร่วงบางนะอันปฏิบัติธรรมอินันไล่ปีหล่ แล้วก็ไม่ได้ฟังยูทูบมีแต่อ่นปึ่มหนงมังเหมียวปราชญ์ทรงเอามาถาังเสียงหลายปึ่มอัานหนังเสือแหละเมียนอันสมเนนปกหน้าก็ดูจิตเราอัานขน้อยมาอ่านตัวนั้นแล้วม่ได้ถ้าฟังเถธอเราก็ไปปฏิบัตินําพระอาจารย์อยู่ล่วงบระบางเพื่นว่าเยียนกระทะให้เวลาปฏิบัตินะเรามาอ่านนั้นแล้วก็เลยมาปิน้นคิ่งขน้อยนับปิน้นอ๋อเออ ได้รับหนังสือเล่มหนึ่งมาจากทางเชียงรายแล้วก็เลยมาอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็เลยได้ผลแบบเดี๋ยวข้าน้อยคอจะข้อแประอาจารย์พอดีแม่ไปฝึกกับพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งอยู่ล่องหวัางเราคือได้คาท่ามาแล้วใช้คาท่านั้นเวลานั่งสมาธิเราเจอมู้ดตัวมุ่นจนมุ่นลายมุนจนแข็งเลยอาจารย์เอาที่ใจแว่นเดียวนะ มีสติไว้กรรมฐานมีหลากหลายเยอะแยะไปหมดนะอันนั้นเป็นรูปแบบเป็นวิธีการสิ่งสำคัญของการปฏิบัติมีสติมีสมาธิเนี่ยวิธีการจะปฏิบัติแบบไหนใช้ได้ทางนั้นนะ่ะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ขาดสตินะถ้าปฏิบัติแล้วจิตใจอยู่กับเน้อกับตัวใช้ได้เหมือนกันหมดนะแต่ถ้ามันหมุนหมุนเนี่ยแล้วใจเราแกว่งตามไปก็รู้ว่าใจฟุ้งซ่านนะ หมุนมากๆากทีเหมือนจะสลบนะหมุนหมนหมนหมนเงี้ยรักษาใจไว้นอ้อยหันมุ่นไปแล้วขนอ้อยแล้วขนมาเยอะขนอ้อยแล้วกดกดไว้นกดมืมุน่นแล้วเจ็บแล้วโอ้ยไปกดสิม่ีวิธีแกนะเดคน้อยบ <laughs> ย, ย่สนใจคนอื่น <c oughs> นะมันน่าอายเจ้าเด็ตู่แล้วเกี้ยงผู้เดียวเ น, เนี่ <c oughs> ขน้อยเกี้ยงผู้เดียวผู้อื่นมัคือเจ้าบอกเกลียงคน้อยเลยอาจารย์ไป โดยนามสการขณไนหลวงพ่อประโมทซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้มานาั่งฟังทำสั้นสูงเนาะขณไนในมณีนะการแสดงความอบุญคุณขอบใจนําเจ้าภาพเจ้าศรทธาทั้งหลายที่ได้ให้โอกาสหลวงพ่อได้มาแสดงทำสั้นสูงให้พวกเราได้ฟังมือนีเนาะแต่ว่าในเมื่อก่อนข้าพเจ้าเคย ขน้อยก็เคยได้ปฏิบัติมาเคยได้สร้างบุญสร้างกุศลเนาะมีเมตตาจิตทั้งหลายทาั้งปวงได้สร้างพระทรงองค์ข้าเจ้ามาแหละก็หลายก็เลยจิตใจกเ็เป็นมณะเป็นมณะไปแล้วบันนี้ก็มาฝึกฝึกส ม, มนะาธิเนาะไหวพระอสวดมนต์แล้วก็สมาธิไปพร้อมแล้วก็อธิธษฐานเมตตากระเพเมตตา ก็ปกติวไลซิ่งรา ย, ยางมาแล้วก็ระยะหนึ่งก็ม า, าฟังยูทูบของอลงพ่อประโมทก็มาเข้าใจง่ายขึ้นที่ปฏิบัติก็เห็นว่าสะดวกกับกิจวัตรประจำวันของพระพุทธบริษัททางหลายที่กำลังหาอยู่ากินเนะเอนว่าเราจะมานั่งรับตาอยู่อย่างเดียวก บ, บริกรรมพุทโธก็ได้แต่บริกรรมก็ก็ได้แต่ว่า หลังจากสําคัญคือหลังจากเขาออกจากการปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะเขาจะจิลังยั่งยืนได้แนวไหนกับอสิ่งเราด้า น, นะจะมาฝึกและจะมาเห็นจิตพัฒนาขึ้นใจมันจะจะนิ่งขึ้น<ม>ใจมันจะดีขึ้นแล้วเห็นทุกสิ่งอย่างหันปรยากนะประหยัดใกล้แล้วก็เห็ น, เ ห, นเห็นก็นคือว่า อบบอเป็นสิ่งที่ประทับตาประทับใจอย่างนักอย่างค่ะนะฮะแล้วเขาหน่อยว่าถ้ามันปิดตัซสิมันกิดสีป็นมนุษย์อีย่างไดรบอกระถามตัวเองเนาะบางครั้งเนาะ <c oughs> มันเป็นอย่างคือป็นดนนี่ว่าสมบัติเธอกับไปพ่อพระสงฆ์องค์เจ้ากระถามว่าข้าน้อยเปิดนะ น, นี่มันสิบมันสิบอเป็นเลือดเลอไปทางอื่นบอหันอ้า มันป็นอยงนี้ค่น้อยเป็นยังงงยุ่ว่ามันถึกบ่อเดินทางถึกบ่อเละอยู่ในอยู่ในดวงจิตนะจะมีพุดโธอยู่ตลอดจะมีพุดโธอยู่ตลอดโดยวันนี้ฮันน่าเขาพะย่าว่าเออเวลาเขานั่งกับหมูเนาะเขาเสียเวลาอันนั้นอันนี้หรือสิยไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้ถ่ายหูอลงอันนั้นอันนี้เนาะเขาแล้วมันหนงพุดโธอยู่ในห้องไม่เนี่ย่าบ่คือสิบดีก่อนบอดเลยพัฒนาไปล่วงนี่นะมันสี ทึกบ อ, นนอกขนาดเนาะขนาดจะถามหลวงปู่ข น, นาดเนาะถูกโดย <c oughs> แล้วันนี้นะในการบําเพ็ญนี้การบําเพ็ญนี้ส่วนหลายนี้คนเฮาหนี่จะลืมยุบบอลใดยุบบอลว่าสิ่สมาธิปัญญาคือหลวงพ่อวะเนาะ <c oughs> มีเดินตามมักมีองค์เปรคนเฮานี่ขันละว่าขันได้นั่งแล้วหันจะจะลืมกันไหมว่า <c oughs> เลยว่าตัวมักมีองค์เปรตนี่สําคัญหลาย พอเขานี่ยอยากลืมตัวอย่างว่าคือเป็นนะคือเลืัตธรรมดานี่ว่าเรื่องการปฏิบัติความดีความชอบเนาะคิดดีทําดีปฏิบัติดีนี่สลายอยากอยากอ ย, ยากละท่านนี่คิดว่าขน้อยว่าจะถามมือหลวงพ่อว่าในการท่าเพียมบาเพ็ญการบําเพ็ญที่มันมีทั้งจิตและทั้งร่างกายไปพร้อมเนาะกัรท่าว่าเขาจะอาจิตหลวงเดียวกันในท่าการบําเพ็ญตนในการให้ดีทําดีเนี่ยนะ ต้องคู่ขนาดไปพร้อมนี่จิตึกบ๊ตัวอย่างอยู่ห้องการเนาะก mm ็ส hmm. ละเหื่อแห้งตัวเองเห็นให้ความดีอยู่ในห้องล่าห้องการทามันดีขึ้นบอ๊อบนั่นนี่นีน่นนนะจิตึกบอ๊อบเขเป็นครือฮัทธรรมดาข้น้อยอยากถามหลวงพออ่อเท่า น, นั้นโดยขอบใจขน้น้อยจุดสําคัญของการพัฒนานะคือจิตเราแต่การพัฒนาจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าหนีออกจากโลกการทําความดีทั้งหลายเนี่ย ผู้บาอาจารย์ท่านสอนมีโอกาสทำก็ทำนะถ้าโอกาสผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่างน้อยก็รักษาจิตให้ดีไว้ก็แล้วกันนะที่ยมฝึกอยู่ใช้ได้อยู่นะจิตใจมันก็เริ่มมีสมาธิเริ่มตั้งอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วละคอยเรียนรู้มันไปโลกนี้เหมือนฝันโลกนี้ว่างเปล่าดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างในโลกนี้ไปดูซ้าไปซ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆ ดูไปขอบใจกันหน่อยขอนมนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยโดยฟังซีดียูทูบน้องของพระอาจารย์มากระดอนสมควรและปฏิบัติตามและมีการฟังหั่นบางอันก็เข้าใจบางอันกระบอกเข้าใจเนาะเหตุให้การปฏิบัติของข้าน้อยมีอันพิษอันถึก และมาฮอดปัจจุบันนี้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์อ่านชวยแนะนําข้าน้อยตืมอีกนะวิธีปฏิบัตินะก็คือให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนรู้สึกนะเวลามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความรู้สึกสุขทุกข์มันก็ถกดู ใจเป็นคนดูนะนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกิเลสมาก็เห็นว่ามันก็ของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนรู้นะเนะี่ยค่อยๆแยกกายกับแยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้ออกจากกันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันก็เป็นแค่ที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกไปส่วนความสุขความทุกข์มันก็เหมือนความฝันมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะ ความดีความชั่วก็เหมือนความฝันผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนกันส่วนร่างกายเรานี่เป็นสมบัติของโลกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจนเห็นว่าทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เนี่ยดูอย่างนี้บ่อยๆที่แม้ข่าวพานาะใช้ได้นะไปพาณนาอีกน้อยขอนามสการพระอาจารย์ ข้าน้อยได้ฟังพระอาจารย์เทศธรรมะตอนตอนเช้าและถือกับการปฏิบัติของข้าน้อยที่ปฏิบัติอยู่ข้าน้อยขอให้พระอาจารย์เมตตาชี้นาข้าน้อยด้วยจะชี้นาอะไรล่ะชี้ไปตอนเช้าแล้วนี้ <c oughs> ที่สำคัญคือรักษาจิตเราไว้ให้ได้นะเรียนรู้การทำงานของมันไปเรื่อย ดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูการปฏิบัตินถ้าเจอในขั้นเจริญปัญญาไม่ดูกายก็ดูจิตเท่านั้นแหล ะ, ะส่วนเวลามันฟุ้งซ่านขึ้นมาเราไหว้พระสวดมนต์ให้จิตใจสงบสุขมีเท่วมีแรงสดชื่นแล้วก็กลับมาดูกายดูใจต่อค่อยๆฝึกไปขอน้องกับนมส ก, การพระอาจารย์ ข้าน้อยอยากถามว่าที่ผ่านมาที่ข้าน้อยปฏิบัติเถิดบ่เ่าต้องขอความเมตตาอาจารย์เมตตาแนะนําแล้วว่าถูกไม่ถูกล่ะ <c oughs> ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะท่านบอกว่าวินอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองถูกหรือผิดเนยรู้ได้ด้วยตัวเองมันวัดใจตัวเองได้เราวัดใจตัวเองสิว่าที่เราภาวนามาเนี่ยอกุศลลดลงไหมกุศลเจริญไหมนะ นล่เราวัดใจตัวเองด้วยวิธีนี้นะแล้ววัดแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นกิเลสบ่อยไหมหรือไม่เคยมีกิเลสเลยเห็นแต่กิเลสคนอื่นเห็น <c oughs> <c oughs> มีบางคนนะ้าครูบาอาจารย์สอนบอกให้คอยเห็นกิเลสนะ้าเห็นบ่อยๆ ย, ยิ่งดีแกบอกว่าโอ้จะเห็นตลอดเลยใครมีกิเลสี่รู้หมดเลยมบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะต้อ <c> ง <oughs> เห็นกิเลสตัวเองเนาะ ก้าเรียนรู้ตัวเองไปนะเราจะมีคําตอบในตัวเราเองกิเลสมันมาเราเห็นนะมันมาทําอะไรเราไม่ได้มันก็ไปนะจิตเราก็เป็นกุศลจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นฝึกไปอย่างนี้แหละเวลาพวกเราอยู่ไกลหลวงพ่อนะไม่มีโอกาสเจอหลวงพ่อไม่ได้ถามหลวงพ่อเนี่ยใช้วิธีวัดใจตัวเองนะดูที่ใจเราเองนี่นแหละที่เราภาวนาอยู่เนี่ย ละกุศลไปไหมกุศลเจริญขึ้นไหมไม่คือตัวสัมมาวายมะที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วถ้าเราเดินตรงเป้าก็ถืถอว่าใช้ได้ถ้าเดินออกจากเป้าเน่ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งภาวนานะยิ่งมาน้าตาแรงกูเก่งคนอื่นชั่วอย่างนี้ผิดแน่นอนนะนี่เราวัดใจตัวเองด้วยกิเลสนะกระทั่งเวลาที่เกิดอริยมรรคแล้วเนี่ยตนจิต เกิดในิยมรรเกิดในิยผลแลจิตถอยออกมาอยู่ในโลกเนี้ยจิตยังทวนกลับเข้าไปดูเลยว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสตัวไหนที่ละแล้วเนี่ยละถาวรหรือละชั่วคราวด้วยกําลังของสติด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาหรือว่าละเด็ดขาดด้วยมรรคเนี่ยมันจะทวนเข้าไปตรวจสอบกิเลสฉะนั้นเราจะประเมินความก้าวหน้าของตัวเองด้วยการดูกิเลสตัวเองนั่นแหละ พยายามดูให้ออกก็แล้วกันถ้ากิเลสเยอะแยะแล้วบอกไม่มีกิเลสเนี่ย น, นะหลวงพ่อก็ท้อใจเหมือนกันอนะนะไปดูเอาเองเนาะครบแล้วละ่นะ